สุดท้ายก็กลายเป็นสมถะไม่รู้ตัวดูท้องฟองยุบนึกว่าทำวิปัสนาเห็นรูปนามจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องจิตให้นิ่งนิ่งว่างว่างอันนี้ก็คือไปทำสมถะทั้งที่ทำวิปัสนาพวกหนึ่งจงใจทำสมถะเลยนั่นพุโทโธพุโทโธหายใจไปทำแล้วไปติดสมถะหรือเพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างนี่ก็เป็นสมถะ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 ถ้ า, าน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียว mm hmm. อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจก็ถูกแล้วอันนี้ก็ถูกเพาจะทําสมถะถ้าจะทําวิปัสสนานะไปดูท้องพองยุบเปตเทหยับมือทําจังหวัดไปเพ่งท้องไปเพ่งมืออันนั้นก็คือสมถะไม่เป็นวิปัสสนาะจิตที่จะทําวิปัสสนาได้ไมันต้องมีคุณภาพมากพอจิตอนั้นต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนหลวงพ่อมาเทศที่นี่หลายรอบแนละ้วะ เงินเทศยากนิดหน่อยพวกเราก็น่าจะฟังรู้เรื่องหลายคนก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วนี่ก็เป็นผู้รู้จิตเปนเป็นผู้รู้ขึ้นมาไม่ใช่เรื่องยากหรอกะไม่ใช่เรื่องยากที่ฆราวาสจะทําได้แล้วหลวงพ่อน่ยฝึกตัวเองเป็นจิตเป็นผู้รู้ตั้งแต่เป็นฆราวาสครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ ท่านไม่รู้จักชื่อทนเรียกว่าผู้รู้ผู้รู้งั้นเราถ้ามาฝึกจิตของเรานะขั้นแรกเนี่ยจิตต้องถูกซะก่อนจิตถ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซะก่อนแล้วจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้แหละไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามคือการทําวิปัสสนากรรมฐานอยู่ๆไปทําวิปนะัสสนาแต่ไม่เคยเรียนเรื่องจิตเลยเนี่ยมันไม่เป็นวิปัสสนา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 อันนั้นวิตกต่างหากอ่ิตกคือตรึกเอาวิปั ส, สนาปัฏณะก็เห็นการเห็นกับ ก, การคิดคนละเรื่องกันเลยการเห็นนะ่นก็คือใจเราเนี่ยเป็นแค่คนดูเราเห็นกายเห็นใจมันแสดงไตรลักษณ์อย่างนั้นถึงจะเรียกว่าเห็นไปนั่งคิดเรื่องไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปั ส, สนาเป็นวิตตกเ น, นี่ยโอกาสที่พวกเราเรียนกรรมฐานนะแล้วมันพลาดเนี่ยเต็มไปหมดเลยตอนที่หลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดูลย์ ตอนหลวงปู่ดูลอยู่เรียนอยู่กับท่านเจ็ดเดือนหลวงปู่ดูลท่านก็บอกว่าเข้าใจแล้วละ่ะพึ่งตัวเองได้แล้วต่อไปไม่ต้องมาอาศัยท่านก็ได้นะท่านวาอย่างเงี้ยมันไปได้ด้วยตัวเองท่านอางี้หลวงพ่อบอกเออครูปอาจารย์ท่านว่าอย่างเงี้งออเออยเราไปหาประสบการณ์ออกไปดูว่าคนอื่นเขาภาวนา ย, ยัางไงอาศัยเราเป็นคนช่างสังเกตนะ้าสังเกต เข้าไปสานักอย่างนี้ เ, เขาว่าเขาทํำวิปัสสนาไม่เห็นมีใครทํำวิปัสสนาเลยบางคนก็เพ่งท้องบางคนก็เพ่งเท้าบางคนก็เพ่งมือหรือบางที่เข้าไปก็คิดอย่างเดียวเลยคิดพิจารณาอย่างเดียวเลยก็ไม่ใช่อีกอย่างสานักที่คิดพิจานะรณาทิ้งสมาธิเลยแล้วไปพิจารณากายเนี่ยครูบาอาจารย์สายวัดป่านะอย่างหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านตีเตียนมากเลยทั้งว่าสอนผิดนะอย่างนั้นมันไปไม่รอดหรอก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 หรือกำหนดท้องกำหนดมือเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่จิตจ้องอยู่ในมือนี่เขาสมถะนักปฏิบัตินะตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆหลวงพ่อยังเคยบ่นกัโยมเลยว่าหลวงพ่อเที่ยวตะเบนมาเยอะแยะนะหาคนที่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยยากมากเลยส่วนใจติดสมถะ พวกนึ่งติดสมถะโดยตั้งใจจะติดตัวคิดว่าต้องติดสมถะต้องได้สมถะได้ฌานก่อนถึงจะเดินปัญญาได้นี่พวกนี้ก็หลอกตัวเองว่าตินี้ไม่ต้องทําอะไรหรอกฝึกแต่เข้าฌานอีกพวกหนึ่งคิดว่าสมาธิไม่จําเป็นเลยเดินปัญญาไปเลยเห็นรูปเห็นนามไปเลยสุดท้ายก็ไปเพ่งรูปเพ่งนามเลยไม่ก็ไปคิดเรื่องรูปเรื่องนามแท้จริงแล้วก่อนที่คนเราจะขึ้นสู่วิปัสสนาได้นะเราต้องมาฝึกจิตก่อน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 มันอาภัพมากมันไม่มีคนเรียนหลวพ่ะเทศมาสิกว่าปีพูดแต่เรื่องจิตศิกยาเป็นส่วนมากเลยวางคนพอเรียนเรื่องจิตสิกขาได้แล้วก็ก้าวข้ามไปสู่ปัญญาศิกขางั้นต้องมาฝึกจิตฝึกใจสัก่อนวิธีที่จะฝึกจิตสิกยานะสังเกตเอาจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศลต้องรู้จิตที่เป็นอกุศลรู้จักไหมจิตโลภรู้จักไหมออดูง่ายนะจิตโกรธ เห็นดูง่ายจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูจิตเกลียดจิตเซงจิตเบื่อจิตลาคาญจิตอิจฉาริษยาจิตอาฆาตพยาบาทเนี่ยจิตอกุศลทั้งหลายอุศนอย่างนี้จิตที่เป็นกุศลมันเป็นยังไงจิตที่เป็นกุศลนั้นไม่มีโลภกรดหลงมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตที่เป็นกุศลนั้นมันเบา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 พอเราแยกได้แล้วจิตกุศลเป็นอย่างนี้จิตอกุศลเป็นอย่างนี้นะเราก็แยกละเอียดต่อไปอีกจิตที่เป็นกุศลยังมีหลายแบบนะกุศลที่ใช้ทำสมถะเป็นแบบหนึง่งกุศลจิตที่เป็นกุศลที่ใช้ทำวิปัสสนาเนี่ยเป็นอีกแบบหนึง่งไม่เหมือนกันหรอกจิตที่ใช้ทำสมถะนะ่เป็นกุศลนะทำสมถะมันจะสงบอยู่ในอารมมันเดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเช่นจิต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 เอาเข้าจริงนะนอนจมกิเลสอยู่มองไม่เห็นนะเหมือนนั่งทับอื อ, อยู่นะไม่รู้เลยนะนั่งทับอยู่นะไม่รู้เลยวนะ่านั่งทับของโซโปรกอยู่มันแช่อยู่กนะับกิเลสมองไม่เห็นแล้วเราต้องค่อยๆสังเกตตัวเองว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันตกอยู่ในหลักของสมถะหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นหลักของมิปัสนาหลักของสมถะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งไม่หนีไปจากกัน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 ใจมีแต่ความสุขสบายเพลินอยู่แค่นะ่ะท่านสอนอนัตตาบังคับไม่ได้กคู่เก่ ง, ค, งครูบังคับได้ครูฝึกจิตของครูให้สงบให้นิ่งได้นะนี่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันพลาดออกจากคําสอนของพุทธเจ้านะพลาดจากไตรลักษณ์นะก็พลาดจากาาวิปนะัสสนาละน้วต้องค่อยๆสังเกตตัวเนี้เป็นความชํชนานิชํานาญของเรานะสิ่งที่จะช่วยเราได้ว่าที่เราสังเกตมันถูกหรือผิดเนี่ย ที่เราทําอยู่มันถูกหรือผิดเนี่ยมีสองสิ่งสิ่งที่หนึ่งคือกัลยาณมิตรซึ่งทุกวันเนี้ยเราตอบไม่ได้ว่าใครคือกัลยาณมิตรไมอริยโยริยะอยะไรเต้มไปหมดเลยนะแต่ละสํานักแต่ละสํานักน้ำพระอริยะทั้งนั้นเลยแล้วบางที่เขชอบนะใครไปเรียนด้วยนะเรียนได้สวันตั้งเป็นพระอริยะแล้วโอ้โก็ปลื้มสิอย่างสูงอยู่หลวงพ่อภานาไม่เป็นนะเข้าไปสํานักเนี่ย อาจารย์ด่าทุกทีเลยไอ้ภาวนาไม่ถูกใช่ไม่ได้ไอ้อีกสำนักหนึ่งภาวนาไปสองวันโอ้ยได้โสดาแล้วะเราพักลืมสิใช่ไหมโอกูโสดาแล้วเวยกูเก่งเว้ลืมไปดูว่ามันมีกูตัวเบลอเลยมองไม่เห็นแล้วคราวนี้ยนะพราวนาไปอีกสามวันได้สักทาคานะพราวนาไปอีกอาทิตย์หนึ่งได้พระอนาคาคนะาภาวนาไปอีกสักเดือนหนึ่งได้พระอาหารหนะันต์แล หันไปหันมาอ้ากกิเลสกลับมากลับมาเป็นโสดาใหม่นะเออนี่ยเนี้ยใช้ไม่ได้เลยนะเหลวแหลกอย่าไปโดนคนเขาหลอกนะอย่ไปโดนเขาหลอกนะอย่าไปเชื่อใครเข้ามาตั้งเป็นพระอริยะก็อย่าเชื่อดูกิเลสตัวเองให้ออกนะหลวงพ่อเคยฆาตกรรมพระอริยะเนี่ยมากมายฆาตกรรมไปเยอะเลยนะจนกระทั่งบางคนเนี่ยกลัว คิดว่าตัวเป็นพระริยะนะจะไม่กล้าเข้าใกล้หลวงพ่อเลยกลัวถูกฆาตกรรมหลวงพ่อไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มีอิทธิปฏิหารไบน ะ, ะ, รระรนะเราใช้วิธีให้เขาดูกิเลสยังมีพระองค์หนึ่งบอกว่าเนี่ยจบกิดแล้วจบกิจแล้วถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วบอกไหนท่านนั่งสมาธิให้ดูซิ จบจิตแล้วนั่งสมาธิยังไงนั่งโอ้ยรวมเร็วมากเลยนะรวมปื๊บเนี่ยจิตไปถึงพรหมโลกเลยบอกดูออกไหมว่าจิตมันเคลื่อนไปฮะออกออกออกพระลรหันอะไรวะจิตมีไปมีมาเนี่ยไม่ใช่หลกงพ่อว่านะครูบาอาจารย์ท่านด่ามาแบบเนี้ยพระละหันอะไรจิตยังมีการไปมีการมาท่านก็ตกใจเฮ้ยงั้นผมก็ไม่ใช่พระลรหันสิเออถ้ายัางไปมาก็ไม่ใช่หรอกแต่ตกใจอ่รู้ไหมตกใจรู้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 ไม่มีพุทธเจ้าไม่เคยสอนแล้วทําบุญจะได้บุญเยอะเนี่ยทานของเราบริสุทธิ์ไหมทานของเราบริสุทธิ์ไหมไปปล้นเข้ามานะเอาไปทําบุญแล้วไปปล้นมาได้ร้อยล้านนะเอามาให้อาจารย์สมชายล้านหนึ่งนะบอกเนี่ยบุญตัวนี้ใหญ่โตแล้วตั้งล้านหนึ่งไอ้บาปที่ไปปล้นมานี้หมดไปและ้ะล้างกันไปะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะทานของเราบริสุทธิ์ไหมเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจไหม อย่างก่อนจะทําเนี่ยเราแช่มชื่นใจมีศรัทธาอยากทำระหว่างทําแล้วเราปรับรื้มก็ทําแล้วทําเยอ่ไปกลับบ้านสามีเตะนะใจฟอเลยเนี่ยหอเหี่ยวหรือไม่น่าทําเลยบุญตัวเนี้ยก็พร่องกับแพร่งทันทีเลยนะการทําบุญเนี่ยจะได้บุญแรงนะถ้าเจตนาของเราเนั้นแล้วก็มันมีความสุขนะในสามกาลละจิตเป็นกุศลในสามกาละก่อนทําระหว่างทําหลังทํา ถ้าตัวใดตัวหนึ่งกับพร่องกับแพงเนี่ยบุญเราตกทันทีเลยนะเลขเจตนาเราไม่เข้มแข็งละบุญเราตกทันทีเลยถ้าบุญตัวเนี้ยให้ผลให้เราไปเกิดถ้าบุญตัวที่ทํามาแล้วไม่สมประกอบนะอย่าบุญไปก่อนทำปลื้มระหว่างทํำปลื้มทําแล้วฝ่อเนี้ยบุญตัวนี้ให้ผลเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันนะแต่มนุษย์พิการจะไม่สมประกอบนะเอนี่ยต้องรู้จักเลือก หรือผู้ที่จะรับทานของเราผู้ที with with way, ่รับทานของเราให้ทานกษัตริย์เดรัจฉานก็ได้บุญนะให้ทานกับคนทุศีนก็ได้บุญมากกว่าให้กษัตริย์เพราะภูมิมันสูงกว่าสัตว์ให้ทานกับคนมีศีลก็ได้บุญสูงกว่าทานกับคนทุศีนเพราะภูมิมันสูงกว่ากันให้ทานกับคนมีศีลมีธรรมนะคนอย่างพระเงี้ยให้พระที่ดีเราก็ได้บุญเยอะแต่เราเลือกยากเราไม่รู้องค์ไหนดีเราก็รึกว่าดีทุกองนะ เราก็เชื่อเชื่อเสร็จแล้วเพื่อนรวยไปคนเดียวเลยเราก็จนเหมือนเดิมเราไปรวยเอาชาติหน้าเขาบอกงนี้นะชาตินี้จนไปก่อนโยมอาตมารวยไปคนเดียวเราก็เชื่ออย่างโอ่นะชาวพุทธต้องมีเหตุมีผลนะทําไมเทศไปเทศมามาลงเรื่องนี้ ทำบุญนะเราไม่รู้ว่าใครเป็นเนื้อนาบุญประเมินยากนั้นเวลาเราทําบุญเราตั้งใจทํากระสงในสงรือว่าทํากระสงพอจะมีเนื้อนาบุญสักคนหนึ่งนะหรือเราตั้งใจว่าเราทํากระสงนะอย่างถวายทานจะถวายค่ารถให้หลวงพ่อตรงนี้นะถวายถานตั้งใจทําถวายให้สงนะมีพระพุท ธ, เ, ธเจ้าเป็นประธานตั้งใจแบบนี้เลย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 ทำบุญนิดหนึ่งนะก็หวังผลจะพ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นเสนียดจันไรร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีลูกให้ลูกเชื่อฟังมีเมียให้เชื่อฟังเมียอะไรเงี้ยนะว่าอาธิษฐานยาวมากเลยนะขอให้ถึงพระนิพพานโดยเร็วฟังก็แปกแปลกนะอยากรวยด้วยอยากนิพพานด้วยอะไรเงี้ยนะอยากสวยสวยด้วยเนะี่ยอย่างนี้โลภมากนะนิพพานไม่ไหวหรอก เนื้อสำรวจที่ใจใจอย่างไหนเป็นกุศลใจอย่างไหนเป็นอกุศลบางทีในขณะที่ทํากุศลนะลึกลงไปมันคืออกุศลนะเนี่ยสำรวจใจตัวเองให้ดีพอเราแยกออกแล้วว่าอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลกุศลอย่างนี้เป็นกุศลทั่วๆไปสําหรับวนเวียนอยู่ในโลกกุศลอย่างนี้เป็นสมถะกุศลอย่างนี้เป็นวิปัสสนากุศลทั่วๆไปเมื่ำอะไรทําความดี มีทานมีศีลมีภาวนาเขาดีเท่านั้นแหละเป็นกุศลทั่วๆั่วไปแต่การภาวนาเนี่ยถ้าภาวนาเจอทั้งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นกุศลที่สูงขึ้นมาอีกแล้วมาอยู่ในระดับของได้สมาธิได้ฌานได้สมาธิถ้าสูงขึ้นไปอีกก็เห็นรูปนามแสดงใจลักรูปธรรมแสดงใจลักนามธรรมแสดงใจลักษบุญใดที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่จำไว้นะ บุญใดประความด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประความด้วยปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยแต่ถ้าเมื่อไรไม่มีสติมันนั้นไม่ใช่กุศลเลยจิต ท, ที่เป็นกุศลทุกๆุกดวงต้องมีสติแต่จะมีปัญญาก็มีนะไม่มีปัญญาก็มีมีแต่สติก็มีงั้นอย่างถ้าเราดูท้องพองยุบหรือขยับมือแล้วจิตเราสงบว้างเนี่ยจิตเป็นกุศลหรือไกุศลจิตเป็นกุศล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 เวลาที่เดินมิปัสสนาเนี่ยจิตจะพลิกกลับมาเป็นสมถะเป็นช่วงๆเมื่อไหรกําลังของสมาธิตกลงจิตจะพลิกกลับมาเป็นสมถะอัตโนมัติเลยเี้ถ้าเราไม่รู้เราคิดว่าเราเดินมิปัสสนาเช่นเราเห็นรูปนามเห็นกิเลสเกิดดับเห็นสุขทุกข์เกิดดับเราดูอยู่อย่างเนี้ยแต่สมาธิเราไม่พอจิตมันจะไปนิ่งมันจะไปเห็นอะไรไปเห็นความสุขไปเห็นความทุกข์อะไรเงี้ยมันไม่เห็นใจรักแล้ว ในขณะนั้นจะไม่แม่ใช่เดินนิพพานนี้พอเป็นเพเพ่งความรู้สึกสุขเพ่งความรู้สึกทุกข์นะสุดท้ายเป็นว่างแล้วก็ไปจ้องที่ว่างต่อไปอีกนะคราวนี้คิดว่าไม่ได้ยึดถืออะไรสักอย่างบรรลุพระอรหันตนะ์แล้วที่จริงไปเพ่งติดในความว่างเป็นสมถะนะแล้วถ้าเราทำํำนิพพสนาอยู่กําลังไม่พอจิตพลิกไปเป็นสมถะนิพพสนูจะเกิด วิปัสสนปรากิเลตเนี่ยมันเกิดกับคนเดินวิปัสนาแล้วสมาธิไม่พอจิตมันเคลื่อนออกจากฐานไปจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมัน่นมันเคลื่อนออกไปเช่นเราเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ดีชัว่วเกิดดับนะนนจิตมันเคลื่อนไปดูเราเคลื่อนไปรับความสุขทุกข์ดีชัว่วมันดับจิตมันเคลื่อนไปดูเนี่ยไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนไปดูมันก็เลยไปว่างอยู่ข้างนอกเราก็คิดว่าบราารลุพระอรหันต์แล้วตรงนี้ไม่มีกิเลส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 คิดว่าบรรลุมรรคผลเวลาเกิดอาการทางของสมาธิเช่นจิตรวมรูปหมดความรู้สึกตัวนะเพ่งท้องไปเรื่อยๆนะหรือเดินจงกรมหามลูงหามค้าให้มันเหนื่อยเวลาที่เราเดินจงกรมหามรลูงหามค้าให้ทรมานตัวเองสุดขีดเนี่ยจิตมันจะหลบเข้าพักนะั้นโดยการตัดความรับรู้ถ้าจิตมันตัดความรับรู้เราบอกไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยพลจากรูปนามแนละเป็นบนรรลุมรรคผลแนละ้วไม่ใช่นะเป็นปลมลูกฟัก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 ใครไม่มีบ้างยกมือเส้นกล้าหาญหน่อยมีไหมมีองค์ไหนบ้าง <laughs> น ะ, นะเราจะคาดประมำให้ดู <laughs> <laughs> วิธีนะวิธีที่เราสังเกตเวราเราพาวนาไปแล้วจิตของเราเกิดอาการแปลกๆเช่นรวมมูบสว่างว่างไปหมดเลยนะแล้วเราคิดว่าบรรลุขั้นนั้นขั้นนี้ หรือคนมาบอกเราว่าบรรลุขั้นนั้นขัน้นนี้อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งคล้อยตามนะสังเกตเอาอย่า ก, กลัวสูญเสียด้วยบางคนพอใครเขาบอกว่าได้โสดาหรือตัวเองภานาะล้วคิดว่าได้โสดาเนี่ยกลัวสูญเสียอยากกลัวของปลอมไม่ต้องกลัวเสียเสียได้เสียดียเสียไปเลยเดี๋ยวเริ่มมาใหม่นะวิธีสังเกตเนี่ยสังเกตที่กิเลสถ้าเป็นพระโสดาแล้วนะ มันจะไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนหรอกอย่างพูดคําว่าผมพูดคําว่าดิฉันพูดคําว่าอาตมาเนี่ยเป็นแค่โวหารจะไม่มีน้ําหนักแห่งความเป็นตัวเป็นตเนตเกิดขึ้นในใจเลยอย่างถ้าเรามีน้ําหนักแห่งความเป็นตัวตนเกิดขึ้นนั้นถ้ามีหูมีตาเนะี่ยก็ดูไม่ยากหรอกมันทึบมันมืดมันบอดอยู่แล้วสังเกตแต่การจะสังเกตกิเลสนะมีเคล็ดลับ บางคนก็บอกว่าดิชั่นสังเกตมาสามเดือนแล้วนี่ทำหน้าอย่างนี้นะด้วยดิชั่นสังเกตมาสามเดือนแล้วดิชั่นยังไม่เห็นกิเลสเลยดิชันบรรลุพระอรหันต์แล้วนี่อย่างนี้นะโอยเราเห็นแล้วโอยเห็นแล้วนะขนลุกเลยเนี่ยนึกถึงภาพเก่าๆที่เคยเห็นมาเนีน่ากลัวมากเลยโอ้น่ากลัวเวลาที่เราจะสังเกตกิเลสเนี่ยให้สังเกตตอนที่ใจของเราเป็นปกติ ตอนที่ไม่ได้คิดเรื่องภาวนานะ่ตอนเผลอๆนะแต่ถ้าตั้งหลักภาวนาแล้วไหนดูซิมีกิเลสไหมดูยังไงก็ไม่มีกิเลสเพราะอะไรเพราะขณะที่จงใจไปดูนะกิเลสมันหลบหมดเลยมันไม่ให้ดูหรอกนั่นจะดูกิเลสได้ต้องเล่นทีเผลอนะอยากดูว่ามีราคาเปล่าภาวนาแล้วนึกว่าได้อนาคานะได้อนาคานะมีเลือกตลกนะ มีบางคนหลวงพ่อถามว่าใครอยากได้นิพพานบ้างูยกมือเต็มห้องไปชุมเลยทุกคนอยากได้นิพพานบางคนอยากจะยกสองมือนะแต่แต่ว่าอยากมากถ้าหมดความรู้สึกทางเพศเลยเนี่ยเอาไหมใครเอาบ้างมายกสักคนเลยอะไรวะ <c oughs> มันหลอกเราแค่นี้ก็หลอกเราแล้วอยากนิพพานนะแต่ว่าไม่มีเซ็กซ์เนี่ยก็ไม่เอาแล้วแค่นี้ก็ทนไม่ได้แล้วเนี่ยดูที่กิเลส โดยที่กิเลส น, นะถ้าเป็นโสดาโสดาสักาคาเนี่ยแยกยากนะมันไม่มีกิเลสเด่นเด่นที่ต่างกันมันล้างทิฏฐิที่ผิดล้างความเห็นที่ผิดความเห็นว่ามีตัวมีตนความหลังเลสงสัยในพัลตนาใจการที่ปฏิบัติธรรมแบบง้องงายไม่มีเหตุมีผลนั่นจะเป็นแบบนั้นตัวที่สังเกตง่ายหน่อยคือความรู้สึกรู้สึกว่ายังมีเราห แต่ตอนที่จะเห็นว่ามีเราหรือไม่มีเราเนี่ยอย่าจงใจดูต้องเผลอๆก่อนนะบางคนบอกว่าเนี่ยดูอยู่ทั้งวันไม่มีเราเลยบอกให้ดูทีเผลอสิเผลอเป็นทะเลาะ ก, กับเขานะกลับมาบอกมีเราไหมไม่มีตอนนั้นมีแต่ ก, กูเออให้มันได้อย่างนั้นสิไม่มีเราเลยมีแต่ ก, กูของเงนี้ยก็นะอย่างเนี้ยโสดายัางไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นโสดานะมันจะไม่มีความรู้สึกเป็นเรานะ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 เห็นแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราแต่มันยังยึดถืออยู่อันนี้เป็นปกตินะระหว่างความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราเนี่ยอันนี้พระโสดาระไปแต่ความยึดถือเนี่ยต้องพระอรหันต์ถึงชะล้ได้หมดนั่นคนละชั้นคนละภูมิเพราะงั้นอย่างพระโสดาเนี่ยก็ยังยึดกายยึดจิตอยู่นะถ้าพระนาคาันี่ไม่ยึดกายแล้วถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ยึดจิตเนี่ยมันจะเป็นขั้นขั้นไปใช้วิธีสังเกตเอา จิตธาตุหันเนี่ยจะไม่มีการไปไม่มีการมาจะไม่วิ่งจุดจุดจุดจดไปนะแล้วก็ไม่มีขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งนีพวกเรารู้สึกแม้จิตของเรามีขอบเขตใครดูออกบ้างจิงขงเราเป็นดวงดวงเล็กบ้างดวงใหญ่บ้างหัดภาวนาใหม่ๆก็ดวงเล็กๆนะพอภาวนาก็าดวงชักใหญ่ถ้าจะเท่มากแนละ้วยังมีจุดมีดวงยังไม่จบหรอกยังไม่จบหรอก มีที่ตั้งมีการไปมีการมานี่ครูบาอาจารย์สอนมานะหลวงปู่ดูล์ก็สอนหลวงพ่อมาหลวงตามหาบัวก็สอนมาตอนอย่างนี้จำมาบอกให้เราฟังและั้นเราสังเกตที่กิเลสวันนี้สอนเรื่องยากไปไหมัมนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดหน่อยนะในฐานะที่พวกเราเรียนมานานแล้วต่อไปนี้หลวงพ่อจะถามที่หลวงพ่อเทศ น, เน์วันนี้ใครงงยกมือขึ้นยกมือซิใครงงไม่รู้เรื่อง ไม่ต้องเกรงใจเอางี้ถามใหม่ที่หลวงพ่อเทศวันนี้ใครรู้เรื่องบ้างยกมือซิพวกทางสายกลางเยอะเหลือเกินรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ฮะพวกเหลวไหลซิไม่รู้จักตัวเองนะฟังหลวงพ่อเทศครั้งแรกแรกนะเขายากนิดนึงฟังครั้งต่อมาเนี้ยก็ง่ายสำหรับธรรมะเมื่อต่ําๆหน่อยแต่มันก็ยากขึ้นเป็นลาดับลาดับนะ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 เายุหกสว่าปีไม่ธรรมดานะมาบอกให้หลวงพ่อช่วยแก้หน่อยอยากให้ขึ้นีิัพสนาอะไรเงี้ยหลวงพ่อดูแล้วแก้ไม่ไหวถ้าแก้ไปตอนนี้นะจิตจะฟุ้งซ่านมากเลยจิตที่มันเก็บกดมานานเนะี่ยพอปล่อยเมื่อไหร่นะั้นมันจะร้ายโคตรๆเลยจะร้ายแบบสุดยอดไปเลยนะถ้าขืนสุดยอดอย่างนั้นเกิดขึ้นแนละ้วอายุขนาดนี้นะถ้าปรับจิตเข้ามาสู่จุดศูนย์กลางไม่ทันความถูกต้องไม่ทันนะ เดี๋ยวไปอภัยอันตรายเกินก็บอกให้ทําไปอย่างนี้แหละแต่พยายามให้มีร่างกายไว้นะจะาหายใจอยจะอะไรก็จะจิตรวมจะ อ, อะไรก็ตามหให้มันมีร่างกายไว้สอนตัวนี้ให้สอนตัวนี้ให้เพื่ออะไรเวลาแก่ตายไปแกจะได้ไปเป็นรฟมชนิดที่มีร่างกายพระเมตไตรามาตรสลูอย่างมาฟังทำได้ ถ้าเป็นพรหมเหลือแต่จิตดวงเดียวไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปประพรมไม่ได้ฟังทำรอให้พระพุทธเจ้าต่อไปแก้ให้เนี่ยบางคนแก้ไม่ไหวหลวงพ่อก็ต้องปล่อยไว้นะเอาไว้ให้พระเมตไตรท่านสอนต่อสังเกตไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยพวกเราก็รวบจิตเข้ามาดูออกไหมรวบเข้ามาแล้วเอาออกไม่ได้ ออกไม่ได้เลอค้างเลยคราวนี้ต้องยิ้มอย่างนี้ในค้างแข็งแงอยู่ขท่าไหน่สังเกตเอานะใช้ความสังเกตมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกเพราะเราก็สามารถรู้สามารถเห็นได้ไปฟังซีดีที่หลวงพ่อสอนใบนะมีแผ่นไหนฟังแผ่นนั้นใช้ได้ทุกแผ่นแผ่น เ, เดียวก็พอแล้ว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 อย่าอายความสว่างของจิตที่มันสะอาดยัเราอย่างพวกเราค่อยๆฝึกมานี่มารู้ตัวนะความสว่างมันก็เกิดขึ้นนะ้หน้าตาเราก็ใสมันค่อยๆใสไปข้าวของเครื่องใช้เรานี่เราหยิบอปนี้บ่อยๆนะที่ก็ใสไปด้วยนะสว่างไปด้วยนี่เราค่อยๆฝึกของเราไปคนชั่วยอยู่ที่ไหนก็มืดที่นั่นแหะนะ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 ก็มันรู้มารผลได้แล้วไม่ต้องแยกทั้ง5้าขันหรอกถ้าแยก2ขันมันก็จะเห็นรูปธรรมนี้ที่แสดงอยู่ไม่ใช่เรานามาทำที่เป็นคนดูนี้ไม่ใช่เราเดี๋ยวมันก็ดูเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวมันก็ดูเดี๋ยวมันก็เพ่งเอาแน่นอนไม่ได้หรือเราดูเวทนาความสุขทุกข์เกิดขึ้นในกายความสุขทุกข์เฉยๆเกิดในใจจิตเป็นคนดูก็เห็นเลยความสุขทุกข์ไม่ใช่จิตความสุขทุกข์ไม่ใช่ร่างกายนะ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 พรที่ทำไม่ได้ก็มีสองตระกูลตระกูลนักเพ่งเพ่งลูกเดียวแยกรวมนามใิอย่าไปเจ้ามันพูดอะไรไม่รู้เรื่องกูจ้องกูอยู่เนี่ยพวกเนี้ยเรียนไม่รู้เรื่องอีกพวกหนึ่งคิดอย่างเดียวเลยบอกอย่าไปคิดเอาให้รู้สึกเอาให้รู้ความรู้สึกเอาอะไรเงี้ยอย่าไปคิดเอาไม่ได้ต้องคิดใร ล, ลักษ์อะไรเงี้ยคิดใจ ล, ลักษ์ก็เป็นสมถานะต้องเห็นใจ ล, ลักษ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 อาอยุเยอะพอหลวงพ่ออีกภาวนาเก่งก็มเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเนี่ยทุกวันนี้ท่านภาว น, นานะเหมือนจะขึ้นเขาวนไปรอบภูเขาเลยตื่นนอนมาก็คิดวันนี้จะภาวนายัางไงดีเอาแล้ววะช่องนี้แหละภาวนาไปเรื่อยๆอ้ผิดอีกถอยกลับมาตั้งหลักใหม่รู้สึกตัวใหม่เนี่ทํายังไงจะถูกคล้ายๆเดินวนเที่ยวหานะหาทางขึ้นเขาช่องนี้ละ่ะขึ้นได้ขึ้นไปสภาพก็ไม่ใช่อีกแล้ว เลยมาถามหลวงพ่อท่านอาจารย์แล้วช่องไหนที่มันถูกอะหลวพ่อต่อไม่มีหรอกใจเนี่ยยังอยากหลุดพ้นอยู่นะใจดิ้นรนสแสวงหาอยู่แต่ต้องดิ้นรนก่อนถูกแล้วทําให้ดิ้นร น, นจะจมกิเลสตรงที่ดิ้นรนเนี่ยจะปรุงแต่งความดีไปเรื่อยทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทำอย่างนี้ทําทอย่างนี้น่าจะได้ทําอย่างนี้น่าจะบรรลุแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันจะพบความจริง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 ต้องอาศัยทำทานตือศีลทาสมาธิจเจริญปัญญานั่นแหละเจริญปัญญาไปสุดขีดเลยนะถึงจุดหนึ่งนะโอ้ไม่ได้ไม่ได้นะจิตหยุดหมดการดิ้นรนสแสวงหาหมดความอยากที่จะบรรลุตรงที่ทำมาเต็มเหนียวแล้วนะแล้วหมดความอยากที่จะบรรลุเนี่ยจิตมันปฏิบัติของมันเอง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 ดัง น, นเบื้องต้นก็มีโลภะเจตนาไปก่อนทุกคราวที่ทําขึ้นมาก็คือการสร้างภพปเป็นภพที่ดีทั้งนั้นเลยที่สร้างขึ้นมานั่นคือภพอทั้งสิ้นเลยถามว่าสร้างภพแล้วจะบรรลุมรรคผลไหมไม่บรรลุหรอกแต่การสร้างภพแล้วก็ได้เรียนรู้ไปมีความอยากก็มีความยึดมีความยึดแล้วก็มีความดิ้นรนของจิตมีความดิ้นรนของจิตก็มีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นความจริงเรื่อยไปดูรูปดูนามทํางานไปแล้วมันเห็นความจริงเบื้องต้นไม่มีตัวเรา คามจริงเบื้องปลายมีแต่ตัวทุกเนี่ยมันเห็นเองนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่เรานั่งทําทุกวันนี้หรอกนะแต่ถ้าไม่ได้ทําอย่างทุกวันนี้ก็ไม่บรรลุนะเราต้องมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอะไรทํำของเราไปความดีทั้งหลายทําไปแต่ไม่ได้บรรลุเพราะความดีทั้งหลายนี่หรอกนะบรรลุเพราะจิตมันปิ๊งขึ้นมาแต่ว่าอยู่ๆมันไม่ปิ๊งหรอกนะถ้าไม่ได้ทําความดีให้มันเป็นอัตโนมัติเลยยากไปไหมยากไปไหม ไม่ยากเพราะไม่ต้องทำอะไรรู้ทันกิเลสนะกิเลสเกิดแล้วรู้ทันจะยากอะไรนะเนี่ฝึกเอานะนี่หลวงพ่อตั้งใจไว้หลวงพ่อจะรับนิมน์มาเทศที่ไกลๆต้องนั่งเรือบินมาอะไรอย่างเงี้นะถึงปีหกศูนย์หกหนึ่งว่าจะเทศอยู่ที่วัดหรือใกล้ๆวัดแล้วละ่ะแก่แล้ววิ่งขึ้นเรือบินไม่ทันนะสนามบินมันย้ายใหญ่นะ งั้นหลวงพ่อะมาเทศที่นี่นะอีกสักสองสามปีสองสามปีเนี่ยถ้าพวกเราขยันตั้งแต่วันนี้นะทันเหลือเฟือเพราะเดือนสองเดือนเนี่ยถ้าเราดูของเราเรื่อยๆนะด้วยใจที่ฉลาดใจที่ประ น, นีตแป๊เดียวก็เป็นใช้เวลาไม่มากหรอกนะแต่ถ้าเรายังขี้เกียจอยู่นะก็บายบายบ า, ย <laughs> างคนต่างไปช่วยไม่ได้แล้วล่ะช่วยไม่ไหวถ้าที่ดูพวกเราก็โอเคนะ ตลอดภาพมาเทศปีแรกนะคนเลยภูเขาปีกคนเยอะมากเลยแต่หาคุณภาพไม่ได้เลยมีจานวนแต่ไม่มีคุณภาพพอสาราเสร็จเนี่ยคนที่เหลือเต็มสารานี่แหละแต่มันมีคุณภาพคุณภาพมันต่างกันมากเลยมันได้ผ่านการกลั่นกรองมาหลายปีแล้วพวกที่บุญไม่ถึงนะพวกขี้เกียจขี้คลานพวกสวติปัญญาไม่ถึงก็หลุดออกไป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 มนุษย์ชอบพึ่งคนอื่นชอบพึ่งสิ่งอื่นไม่มีอะไรให้พึ่งนะอยากพึ่งต้นไม้ก็มีนะบางคนก็มีต้นไม้เป็นสรณะนูกต้นไม้ไว้ต้นนะถึงเดือนหนึ่งก็ไปขัดขัดมีต้นไม้เป็นที่พึ่งขัดข้างขึ้นต้องขัดอย่างนี้เนี่ยขัดขึ้นข้างอะไรมขัดลงเนาะถามว่าถูกไหมถูกทุกงวดเลย <laughs> ถูกทุกงวดเลยเดียวถูกกิน สังเกต น, นะอย่าเล่นหวยเลยเขาเลือนสานักนี้ให้หวยเก่งอาจารย์นี้ให้หวยเก่งนะมีคนถูกทุกงวดเลยอูย้มีคนเข้าไปขอหวยแต่ละงวดจะเป็นพันๆนคนเงนี้ย น, นะอาจารย์จะให้คนระเบิดยังไงมันก็ถูกวะไอ้คนที่ผิดมันก็บอกว่าเราตีความผิดบุญเราไม่ถึงคนที่ถูกก็ดีใจโฆษณาใหญ่ว่าถูกไอ้คนที่ถูกกินเงียบเลย เราก็หลงผิดว่าโอเ้เขาให้แม่นอย่าไปเสียเวลานะเสียเวลาเมื่อก่อนนะที่เชียงใหม่มีครูบาจารย์จันทองอินอยู่วัดสันติธรรมใครเคยรู้จักไหมจันทองอินเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สิมนะคุ้นกับหลวงพ่ออยู่ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยหนุ่มๆ น, นะไปพอนาในป่าเดินทุ ด, ดงไปอยู่ในถ้ำชาวบ้านเขามาถามอาจารย์เห็นอะไรดีๆ้ากละ่ะเนี่ย ถ้ามาถามหลวงพ่อหลวงพ่อจะบอกเห็นกิเลสออมันจะไปหมดเลยเขาเนี่ยมันไม่เอาแล้วเ <laughs> ห็ <karaoke> นกิเลสไม่สนุกเห็ <Brid get> นอะไรดีบ้างท่านบอกเอ๊ะไม่เห็นอะไรแต่ใจท่านเริ่มสนใจแล้วมันเห็นอยากเห็นเบอร์แล้วนั่งสมาธินั้นเลขมันขึ้นที่ผนังถ้าขึ้นพรวดเดียวเลยหกตัวเลยเช้าขึ้นมาท่านก็ไปบอกโ ย, ยมโยมมาถามว่าวันนี้ฝันอะไรบ้างอ่ะโออฝันเห็นเลขหกตัว โยมไม่เอาว่าพระอะไรว่าให้หวยทีละหกตัวมันเวอร์เว่ยนะไม่เชื่อหรอกแล้วกลมมันถูกนะรางวัลที่หนึ่งอ่ะหกตัวเนี้ยโอ้โอีกงวดหนึ่งนะถ้ำแทบแตกเลยญาติโยมมาเยอะเลยงวดนี้เห็นอะไรล่ะวันนี้ยังไม่เห็นไปเช้าก็มาเห็นอะไรโเห็นหกตัวมันถูกกันทั้งหมู่บ้านเลยถูกหวยนะเจ้ามือจะมาฆ่าท่าน อีกงวดหนึ่งจิตท่านมันมีกิเลสแล้วอยากเห็นอยากเห็นเห็นพลึบมาไปบอกชาวบ้านหกตัวไม่ถูกสักตัวเลยคราวนี้ชาวบ้านจะฆ่าท่านอีกแล้วท่านวันนี้นี่กลับมาหาโลภูสิมนะยังไม่ท่านจะรายงานปวดเลยถูกโลปูด่าเลยเลือกไปให้ใหวยเขาอย่าไปเล่นนะใบยมกยุกใบยมุกเป็นชื่อของมุกคือประตูประตูของความเสื่อมนะ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 เพราะหลวงพ่อเทศทุกกัรเนี่ยครบทุกเรื่องเจอแน่นอนไปฝึกนะสงสัยแนละ้วไปฟังเอาสังเกตตัวเองถ้าคิดว่าบรรลุมรรคผลให้สังเกตกิเลสแต่สังเกตตอนที่ใจเผลอๆใจเป็นธรรมชาติอย่าสังเกตตอนใจวางฟอร์มใจกําลังวางฟอร์มจะดูไม่ออกต้องระวังนะคนตั้งเราเป็นชั้นนรงชั้นนี้ก็เยอะเหมือนกันอ่ะต่อไปส่งงานบ้าน กลับนามัส ก, การค่ะหลวงพ่อค่ะใจมันทื่อๆค่ะแล้วก็พยายามที่จะแบบตะเกียบตะกายเ พ, าาเพราะว่ามันจงใจค่ะเนี่ยจงใจนะมันก็ไปบังคับตัวเองก็ทื่อๆค่ะทําไมจงใจเพราะมันอยากดีค่ะทําไมมันอยากดีเพราะมันรักตัวเองค่ะนั่นแหละมันไล่มาอย่างนี้หลวพ่อมีคําแนะนำสำหรับ ใ, ใจที่โลภไหมเห็นค่ะอยากได้คําแนะนํารู้โลกปัจจุบัน คำแนะนำของหลวงพ่อก็คือรู้สภาวะโลกปัจจุบันอย่างที่มันเป็นไป<า>ดูง่ายๆท่านี้ไม่ได้มีอะไรลึกลับหรอกใจหนีไปหรือยัง<า>เนี่ยหนีไปเราก็รู้เอ า, าแต่ฝึกเอาฝึก<า>รู้ปัจจุบั น, านการหลวงพ่อจ้ะค่ะยมฟัง ทีนี้หลวงพ่อมาได้สองปีเลยเจ้าค่ะเออล้วเห็นอะไรบ้างอะ่ะแต่โยมเดินจมคมแล้วก็นั่งสมาธิเจ้าค่ะดูลหมหายใจเจ้าค่ะแล้วก็ดูจิตเพราะว่ามันไหลไปก็รู้เจ้าค่ะอืแต่รู้สึกว่าที่แยกเนะี่ยโยมไม่รู้เลยเจ้าค่ะไม่เป็นไรหรอกทายังไงคะไม่จำเป็นต้องรู้หรอ ก, กแต่ว่ามันก็แยกเป็นจคสังเกตไหมว่า ควารู้สึกสุขทุกข์มันมาแล้วมันก็ไปดูออกไหมเจ้าข้าโยกกิเลสมันมาแล้วมันก็ไปเองไหมใจเราเป็นคนดูแล้วความสุขทุกข์กับใจก็คนละอันกันใจกับกิเลสอะไรนี้ก็โคนล่านกันเรายิ้มสิยิ้มหวานหวานยิ้มเออเห็นเห็นร่างกายยิ้มไหมหัวเราะก็ได้เห็นร่างกายหัวเราะไหมเนี่ยร่างกายหัวเราะใจเป็นคนดูเราขยับมือสิเนี่ยร่างกายขยับมือใจเป็นคนดู แลรู้สึกแต่กายกับใจมันขนละอังอย่างนี้ไหมามว่าแยกจกะไหมจะ่าแยกเลยโยม ก, ก็กระดุกระดิกไปโยมไม่รู้โยมไม่ออ ก, กเออไม่เป็นไรดูไม่เป็นก็ช่างมันบางคนอ่ะมันใจมันเห็นนะเมันพูดไม่เป็นจว่าพูดไม่เป็นไม่สําคัญหรอกสําคัญที่ใจมันเป็น เ, เห็นหรือยังว่ากิเลสมันมาแล้วก็ไปตรงนั้นแหละสาคัญกว่าบโยมไม่ออกไม่รู้เลยค่ะรู้จักใจที่ชอบคร่าครวญไหม เออรู้จักเห็นไหมเพื่อต่อไปนี้เวลามันครวนขึ้นมานะรู้ทันว่ามันคล่ำครวนนะมันสบายใจรู้ว่ามันสบายใจมันคลุ้มใจรู้ว่าคลุ้มใจดูเราปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่ต้องรู้อะไรเยอะหรอกนะรู้ใจมันคล่ำครวนก็รู้ใจมันสบายก็รู้ใจมันคลุ้มใจก็รู้รู้เท่านี้ก็พอละโยมอยากรู้ว่าโยมทําถูกทางหรือเปล่าถูกเสียแต่ชอบคล่ำครวนไปหน่อย แล้วโยมอยากให้หลวงพ่อแก้ให้หน่อยจะทำยังไงต่อไปล้วจะนี่ไงคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองนะคใจมันมีความสุขก็รู้จใจมันรุ่มใจก็รู้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปไม่ได้ไปฝึกแก้ไขอะไรหรอกเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้ไปฝึกแค่นี้นก็พอแล้วจใจลอยหรือยัง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 ไม่ทราบอ่หนูจะทําทูกไหมคะอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องกินยาค่ะพหนูดิชีวิตหนูคือมีแต่งานกับงานก็เลยว่าเป็นคนที่ว่าค่อนข้างจะเครียดค่ะเลยหลับยากรู้ทานความรู้สึกของตัวเองได้ได้นะถ้ารู้ความรู้สึกไม่ได้มันเวียนหัวมากวุ่นวายมากดูร่างกายรู้สึกไ้มกายกระใจมันโค่นล่างเหมือนมันแยกแล้วขันมันแยกได้แล้วนะเมื่อขันมันแยกได้แล้วมันไม่ยากแล้วมีปรัสนาคมันก็เห็นเนีตัวเนี้ยขยับไปไม่ใช่เราหรอ มันมีความรู้สึกว่าไม่ใช่เรามีมีอยู่ครั้งมันอยากพูดแล้วเห็นไหมมีนจะดันขึ้นตรงหน้าอกนะมีอยู่ครั้งค่ะหลวงพ่อคะตอนนั้นหนูคือหนูตกใจมากตัวหนูหายไปเลยไม่ทราบผิดหรือเปล่าคะอะไรหายนะตัวหนูหายไปเลยค่ะคื อ, เ, อเหมือนเหมือนว่าเราจะเราเราตายหรือเปล่าไว้ค่ะไม่ตายหรอกเดี๋ยวมันก็มาออค่ะเวลาเราทําสมาธินะร่างกายมันจะหายไ ป, ยยไ ป, ยไปเวลาจิตรวมอ่ะร่างกายหายไปเหลือจิตันเดียว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 พอกลับมามีร่างกายเนี่ยจะเห็นว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันจะแยกขาดเลยมีพระมีเนนเนนอายุสิบห้าเอมาจากเมืองลาวนะฟังซีดีหลวงพ่อแสดงว่าซีดีเราข้ามประเทศนะออข้ามไปเมืองลาวฟังแล้วมาส่งกันบ้านเแล้วเนี่ยผมนั่งสมาธิอยู่จิตมันรวมปุ๊บไปร่างกายก็หายโรคก็หายไปหลวงพ่อถามแล้วยังเหลือจิตอยู่เปล่าเหลือผู้รู้อยู่เปล่าบอกเหลือ แล้วเนนเห็นไหมว่าพอมามีร่างกายเกิดขึ้นใหม่นเนนจะเห็นชัดเลยว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันพอกเห็นมันไม่เคยรวมกันอีกเลยงั้นถ้าคนไหนไภาวนาจนถึงอัปปนาสมาธินะคือวราทั่งโลกดับร่างกายดับเลยได้จิต ด, ดวงเดียวพวกเนี้ยขันแยกตลอดชีวิตเลยนะกายกับใจแยกขาดจากกันเลยไม่รวมหรอกเพราะมันเคยเห็นแล้วร่างกายไม่มีก็ได้ แต่ถ้าเราทำสมาธิได้ระดับนี้ไม่ได้นะเราก็ใช้คณิกะสมาธิเผลอเรารู้เผลอเรารู้เนี่ยก็ได้ได้ทีละหน่อยแยกบ้างรวมบ้างแยกบ้างรวมบ้างส่วนใหญ่รวมแยกน้อยหนะ่อยทีแนะรกอ่ะฝึกไปฝึกไปก็แยกบ่อยมันก็จะแยกออกมาแบบเดียวกับพวกที่เขาทรงชนันค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวก็สนุกสนุก <c oughs> ขอบคุณค่ะ กระดับพุบมรคการเจ้าค่ะเห็นไหมว่าปีนี้กับปีกลายไม่เหมือนกันดูออกไหมดูออกเจ้าค่ะโอ้แล้วจะสงสัยอะไรครับ <K _> โยโยมสงสัยสมาธิโยมไม่เข้าใจเจ้าค่ะมันมีสมาธิตอนตอนหลับอยู่ก็เหมือนสมาธิมันจะแรงมากมันดันขึ้นมามแล้วไม่ทาไมมันร้อนเจ้าค่ะมันรู้สึกร้อนถูกสิเวลาพลังงาน จิตตั้งมันรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมานะเจ้าค่ะมันจะรับพลังที่ดีนะพลังงานที่ดีมันร้อนมันร้อนนะเจ้าค่ะโยมกลัวมันเป็นอะไรเป่าไม่เป็นอ๋อร้อนเนี่ยค่อยๆแผดเผาร่างกายเรานะเจ้าค่ะให้สายเป็นแก้วเลยออร้อนแล้วก็ห่มผ้าอยู่ก็ต้องเอาออกง้อทำมันร้อนอย่างนี้ต้องถามหลวงพ่อเจ้าค่ะไม่ปกติดอกเจ้าค่ะ ถูกนะเจ้าค่ะถูกแต่เป็นเรื่องสมาธินะเจ้าค่ะแต่อยู่ข้างนอกเราก็เห็นกายกระใจเป็นโคราชกันเจ้าค่ะเห็นนั่นแหละถูกแล้วเห็นเจ้าค่ะยอมตั้งใจจะมากราบขอบคุณพระธรรมของพระพุทธเจ้ากราบขอบพระคุณหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์ที่พระธาตุกดแก้วแล้วคุณมารีบาลวงด้วยเจ้าค่ะสือท่านนี้ท่าเจ้าค่ะ หลวงพ่อมีอะไรนด้ทาเจ้าค่ะกายกระใจโค่นละนเจ้าค่ะกายนี้เหมือนเปลือกเหมือนถ้าที่จิตอาศัยอยู่ชั่วคราวถึงวันก็ทิ้งมันไปเจ้าค่ะดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะกราบขอบคุณเมื่อไร่จะเลิกเพ่งรับาการเขาหลวงพ่อเพลงไหมเพ่งครับหรือครั้งแรกยังฟุ้งซ่านครับก็อย่างดีก็ผมคิดว่าน่าจะมองเห็นความชั่วในตัวเองเยอะเยอะถ้าอย่างนั้นพอวนาถูกนะ ถ้าพาวนาผิดนะเห็นแต่ความดีโอดีดีก็คือก็ยังไม่แน่ใจครับหลวงพ่อครับไม่ไม่ทราบว่าตอนนี้เห็นนะเห็นถูกนะแต่ว่าปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมปกติตอนนี้จิตรู้ว่าตื่นเต้นครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มาส่งหลวมันเกินธรรมดาใช่ไหมกายเป็นเพ่งกดลงไปครับจิตถึงฐานหรือเปล่าขณะนี้ยังครับเออตอบถูกใช้ได้แล้วล่ะ คือที่หลวงพ่อสอนนะสอนให้พวกเราหัดรู้สภาวะที่หลวงพ่อถามเนี่ยเพื่อทดสอบว่าเรารู้สภาวะถูกไหมครับผมเรารู้ว่าตอนนี้จิตเราไม่ถูกอย่างนี้ก็แสดงว่าเราเห็นนะะรู้สิ่งที่ผิดมันก็ถูกแล้วล่ะแล้วทำต่อไปทําต่อไปใช่ไหมครับหลวงพ่อแต่จิตต้องถึงฐานจริงๆนะเขาพ่อไปว่างๆข้างนอกก็แล้วกันแล้วผมควรจะทํำยังไงต่อไปดีคือการปฏิบัติเนี่ย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 ได้ครับหลวงพ่อครับก็ขอคําาหลวงพ่อแล้วก็บทนาหลวงพ่อแล้วผมจะตั้งใจทําจนจนกว่าจะจะได้ครับไปเรื่อยๆไม่เอาไม่ทํำจนจะได้นี่ไม่เอาเอาได้แล้วก็เลิกทําเหรอขอทําตลอดไปจนกว่าเออครับผมจะไปจะทําไปจนไปจะนิพพานจว่าที่ครับหลวงพ่อวัฒนาสาธุครับผมถ้าหวังว่าจะได้มันจะไม่ได้เราต้องมีลูกเล่นนะ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 กับนวัตการมใช่ไหะหลวงพ่อโอเห็นเ่าว่าไม่เหมือนเปล่าไม่เหมือนค่ะไม่ได้แล้วแต่เห็นความร้ายกาจของตัวเองเยอะมากแน่ตัวจริงโยมมาถูกทางเลยใช่ไหมคะโอสาธุค่ะขอถวายกันจิตถึงฐานหรือเปล่าค่ะจิตถึงฐานหรือเปล่าตอนเนี้ยไม่แน่ใจค่ะจิตอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกโอหมันเต้นตุบๆเลยใช่ไหมไอ้เรหัวใจมันเต้นตุบๆหัวใจ ในเกณฑ์แมจิตมันอยู่ข้างนอกมันไม่เข้ามาลองย้อนมาดูสิมันจะเด้งออกเนี่ยเด้งออกแล้วงั้นต้องเขารู้ทันนะว่าจิตยังไม่เข้าฐานออ๋ค่ะถ้าไม่เข้าฐานแล้วเรารู้ว่าไม่เข้าฐานใช้ได้มันจะเข้าเองแต่ถ้ามันไม่เข้าแล้วเรานึกว่าเข้าแล้วนะอันนี้ลาบากจิตไม่อยู่กับหลวงพ่อหรือเปล่าอแม่จิตไม่อยู่กับหลวงพ่อมันไม่ได้ดูรูปนาม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 ยิ่งเราพอนานะเรายิ่งรักพระพุทธเจ้าเราเห็นกิเลสเราแนละ้วเรายิ่งรักพระอะว่ามาไม่ต้องทำ<ม>ซึมไม่ต้องทำปีิแล้วนะว่ามาดึนเต้นเจ้าคะ่ะหายใจหายใจออกไม่ไหวเลยทุกตอนนี้ส่งการบ้านเป็นรอบที่สองแล้วคะ่ะเออเห็นหรือเปล่ปาว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันเห็นเจ้าค่ะนั่นแหละดี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 <น><า>ทําสมาถานาั่นแหละเจ้าค่ะหรือหายใจออกรู้สึก <ON> หายใจเข้ารู้สึกเนี่ยคอย<า>รู้สึกรู้สึกนะเจ้าค่ะกําลังมันเพิ่มกําลัง<า>มันเพิ่มแล้วมันเดินปัญญาได้ดีปว่านี้าค่ะตอนนี้แรงไม่พอเ จ, จ<า>ด้ออดูออกเปล่าดูออกเจ้า <trying> ค่ะ <bras> เูออกแล้วมาถามทําไมมันแกไม่รู้ว่าจะเดินยังไงเจ้าค่ะรู้อยู่ว่ามันไม่พอ ane, เดินยังไงด้อย่าให้หกล้มเจ้าค่ะ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 แต่สุดท้ายก็ต้องทำอย่างคนโน้นนะคือทิ้งสมาธิไม่ได้หรอกอยังไงก็ต้องทําค่ะเมื่อเราไม่ติดเพ่งแล้ว เ, เวลาที่อย่างชอบว่ายน้ําก็ก็จะดูคําเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีมาสมาธิอันนี้ด้วยใจที่สบาย<พ>นะะก <หา S 1> ็ดูได้วยใจที่เครียดเนี่ยใช้ไม่ได้พวกที่ติดสมาธิมานานกําหนดเยอะเนี่ยใจมันจะเครียดงั้นมาดูรูปว่ายน้ยําก็ยังเครียดอีกน ะ, ะต้องระวังตัวนี้ถ้าเครียดอยู่ก็แสดงว่า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 แต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราดู่างนี้ค่ะคนที่มีสมาธิเยอะเนี่ยไม่ใช่ทุบสมาธิทิง้งนะให้เดินปัญญาไปควิธีเดินปัญญาคือคิดพิจารณาเอานี้พอจิตมันพิจารณาได้เองแล้วก็อย่าไปคิดอันนี้ดูค่ะนะะนี้พอดูไปเรื่อยๆในสมาธิชักตกก็กลับมาทําสมาธิใหม่มสมาธิกับการจเจริญปัญญาเหมือนการเดินสองขาเดินขาซ้ายขา ข, าขวาอะไรอย่างเงี้ย ไม่ทิ้งหรอกต้องเดินช่องสองขาหรืงไม่ขับรถเดี๋ยวก็ต้องเหยียบเบรกเดี๋ยวก็เหยียบคันเร่งเหยียบอย่างเดียวไม่ได้คพวกติดสมาธิคือพวกเหยียบเบรกไม่ไปไหนหรอกคืนอนรดได้สตาร์ทรถเสร็จก็เหยียบเบรกอยู่ที่เดิมอะะกิชาติมันก็อยู่ตรงนั้นนะพวกติดสมาธิส่วนพวกเจริญปัญญาเนะีทิ้งสมาธิเลยนะพวกนี้เหยียบคันเร่งอย่างเดียวเจอไฟแดงก็เหยียบคันเร่งอีกนะพวกนี้ไปตนไตกลางทางนะ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 เช่นมันเพ่งแล้วเครียดขึ้นมาหาทางทําให้หายไม่ต้องหาโยนมันทิ้งไปแล้วรู้สึกเอาใหม่พระคุณค่ะนมะสกรารหลวงพ่อค่ะว่าไงตื่นเต้นกลัวไม่ทราบจะส่งอะไรส่งไม่ไงไม่รู้จาส่งอะไรก็ส่งไม่ทํามาถูกทางแล้วอย่างคะ<ด>่ะหลวงพ่อดี ล, ลดีแล้วนะ จิตตอนนี้ถึงฐานหรือเปล่าไม่ถึงอะค่ะดูออกไหมดูออกค่ะถ้าดูออกก็ใช้ได้มันไปอยู่ข้างนอกหมดเลยใช่จิตไปอยู่ข้างนอก<ะ>แค่จิตอยู่ข้างนอกนะมันก็ไม่ยอมรู้รูปนามไม่ดูรูปนามไม่เห็นใจรักณ์ไม่เห็นไตรักก็ไม่ใช่วิปัสสนาค่ะงั้นจิตไปอยู่ข้างนอกก็เป็นสมนถะงั้นกลับมารู้สึกในร่างกายเออค่อยๆกลับมารู้สึกที่กายรู้สึกสบายๆ อย่ารู้สึกแบบรุนแรงนะ่ะรู้สึกสบายๆในร่างกายเห็นร่างกายหายใจออกเห็นน่างกายหายใจเข้าด้วยใจที่สบายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนด้วยใจที่สบายเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายหน้าบึง้งเห็นร่างกายกระพริบตาด้วยใจที่สบายสบายไม่จริงกับว่าสบายบคุณค่ะหลวงพ่อนรรษการนะมหลวงพ่อ ฟุ้งน้อยกว่าเก่าแล้วดูออกไหมดูออกค่ะดีฟุ้งมากไม่มีประโยชน์อะไรหรอกค่ะแต่ว่านความทุกข์มาให้นะค่ ะ, คะมันก็ช่วงนี้คุณภาพจิตค่อนข้างแย่แต่รู้ค่ะแย่แต่รู้ถือว่าดีค่ะแล้วก็จะเจอนิวรณ์เกือบทุกตัวซึ่งกำลังสมาธิไม่พอแล้วมันเหนื่อยค่ะขึมาในใช่ไใจเราพร้อมที่จะหลงไปในโลกของความคิด ยิ น, นจะมาเล่าเรื่องนี้วรณ์เนี่ยมันก็เพลินอย่างเงี้ยคเนี่ยรู้ทันมันเข้าไปไม่ไวหน้ากิเลสรู้ทันมันเขก็ไปเลยรู้อย่างเดียวนะคะโอ้ค่ะรู้ให้ถัดเนี่ยแล้วกันแต่เรารู้สึกเหนื่อยมากพอสมาธิไม่พอจะรู้สึกหงุดหงิดอืมโทสะจะเกิดขึ้นต่อมาอีกรู้สึกว่าเอ้ะเราจะทําแก้ยังไงอย่า ง, างเงี้ยเนี่ยอย่ไปคิดเรื่องแก้ค่ะค่ะจินมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะ ไม่ต้องแก้รู้อย่างเดียวทุกตัวที่กิลเลสเข้ามาใช่ไหมรู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องรู้ทุกตัวหรอกค่ะถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าจิตปรุงแต่งไปแล้วก็ไม่เป็นไรเออมันห้ามมันไม่ได้จิตปรุงแต่งไม่เป็นไรอย่าไปปรุงแต่งจิตสั่งกันยังไงกันจิตปรุงแต่งก็จิตปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ช่างมันปรุงแต่งจิตก็คือจิตไม่ดีจะทําให้ดีจิตไม่สุขจะทําให้สุขจิตไม่สงบจะทําให้สงบอย่างเนี้ยไปแซกแซงจิตเออ เห็<ค>นจิตมันปรุงแต่งจะยาไปปรงแต่งจินมันแค่รู้อย่างเดียวนะคะคิดมากไปคิดคิดเดยอะแล้วก็มันจะติดวิตกเนี่ยค่ะแล้วมีอีกข้อหนึ่งจะเรียนถามหลวงพ่อว่าในในชีวิตขลางวาดนะคะที่ฟังสิดีหลวงพ่อบอกว่ามักน้อยสันโดษไม่ครุกรีปาราดความเพียรทีนี้ด้วย หน้าที่ของการเป็นลูกต้องอยู่กับคนแก่ทั้งวันนะคะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพและการกินอยู่ทีนี้พอมีเวลาเพียงเล็กน้อยเราก็จะจะเฉริญการปฏิบัติต ร, ตรงนั้นนะคะเราดูแ ล, แลคนแก่ไปนะใจเราห่อเหี่ยวเราก็รู้ว่าห่อเหี่ยว<แ>ใจเราหงุดหงิดเราก็รู้ว่าหงุดหงิดไม่ต้องรอให้งานเสร็จก่อนแล้วค่อยมาดูในระหว่างนั้นแหละปฏิบั ต, ติอยู่แล้วนะค่ะ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 นอนอยู่บนเตียงน่ะอยู่ที่ปลายเท้าพอแม่ตื่นขึ้นมากระดิกตัวถูกแกปุ๊บแกลุกขึ้นมาจับมือแม่ได้เนี่ยอุ้ยลำบากมากเลยนะเราไปเห็นเขาดูแลแม่นะลาบากมากแต่ว่าทุกคราวต่อมาพอแม่ตายนะทุกคราวที่เขานึกถึงว่าเขาได้ดูแลนะจิตเขาเป็นกุศลแล้วเขาได้ทำหน้าที่งั้นในระหว่างที่เราดูแลคนแก่เนี่ย เดี๋ยวเราก็เบื่อเดี๋ยวเราก็หงดุดหงิดเดี๋ยวเราก็ลำคานะเนี่ยเราดูของเราไปเลยเราได้ปฏิบัติแล้วไม่เสียเวลาแล้วการที่เราดูแลพ่อแม่เนี่ยเป็นบุญในตัวอยู่แล้ว<ค>ดูแลพระลรหันนะคือจิตจิตอธิษฐานจิตอยู่ตรงนั้นว่าจะดูแลท่านนะคะแต่รู้สึกว่ากิเลส ม, มาทั้งของเราด้วยของท่านด้วยคือกิเลสของท่านเป็นเรื่องของท่านค่ะ<ค>อกิเลสของเราเราดูเอาแล้วก็ไม่ใช่ฝึกให้ไม่มีกิเลส คือว่ากิลเลสมาแล้รู้ทั น, นการนมาสการคจ้าค่ะ ค, ะคนนี้เขากลัวกลับบ้านไม่ถูกใส่เสื้อต้องบอกไว้เชียงรายนะเผื่อลงไปที่อื่นก็ได้มาส่งได้ ล, ลูก ต, ติดอะไรอีกไหมค่ะลูกติดอะไรอีกไหมคะไม่ต้องกลัวแล้วก็ติดหรอกไม่ติดอันนี้มันก็ติดอ น, นุนนะไม่ติดฝั่งซ้ายก็ติดฝั่งขวาไม่ติดข้างซ้ายข้างขวาก็ติดน้ําวน ไม่ติดคนก็ติดอมนุษย์อะไรเงี้ยจิตติดอะไรก็รู้ <ordering. S 1> เอานะอย่าไปคิดว่าจิตจะต้องไม่ติดนะมันไม่ใช่ภูมิของเราแนะบางทีมันก็ติดในความสุขติดว่าต้องเจอคนนี้ถึงจะดีต้องไม่เจออันนี้ถึงจะดีอะไร เ, เงี้ยเรารู้เอานะมีความสุขเราก็รู้พอใจในความสุขเราก็รู้อย่างนี้ก็ไม่ติดสุขมีความทุกข์เราก็รู้เกลียดชังความทุกข์เราก็รู้อย่างนี้ก็ไม่ติดทุกข์นะ เนี่ยเราค่อยดูใจเมื่ก็เดินเข้าทางสายกลางมากขึ้นมากขึ้นที่ฝึก อ, อยู่ก็ใช่ได้นะลุงเห็นใตรักแล้วใช่ไหมคะเห็นอยู่แต่ว่าแรงไม่พอตอนนี้นจิตมันอยู่ข้างนอกจิตไม่เท่าฐานร้หรือเปล่าไหมค่ะตอนนั้นคุณมารี บ, บอกว่าให้ไปเพิ่มไปดูตรงจงกมกลมเดินจกมกลมไปทํามาแล้วไม่รู้วา่าพอเจมกลมก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะค่ะอย่าให้เกินความรู้สึกมันไหลกว้างๆออกไปค่ะ ให้ใจมันรวงเพรามากระชับกระเฉงหน่อยค่ะอให้ใจแรงๆทีเออเนี้ยเนี่ยแค่นี้พอละค่ะไม่ต้องเยอะกว่านี้ถ้าเยอะกว่านี้จะแน่งค่ะแต่ไม่ใช่จ้าออกไปข้างนอกอขอการบ้านได้ไหมคะไม่ทำอีกเลยะนะรู้หลักแล้วล่ะหนูดีขึ้นต้งเยอะละอาปรมาสการหลวงพ่อค่ะคนนี้ทําไมมีอะไรห้อยเยอะแยะเหนียวเหรออ๋อยังไม่เหนียวค่ะหลวงพ่อไม่เหนียวเลย ที่หลังถ้าใครเขาถามว่าเหนียวหรือบอกสงสัยไม่เหนียวเลยต้องห้อยไปก่อนอ๋อค่ะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเ้าลองว่ามาก็ช่วงนี้หนูจะโทสะรุนแรงมากอะค่ะหลวงพ่อโทสะแรงมากอะโทสะแรงก็ช <c oughs> ่างมันสิอ๋ออย่าไปเกลียดมันแค้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางแต่ถ้าไม่ไหวจริง จ, งจงเจริญเมตตาถ้าเราเจริญวิปัสนาได้เราใช้วิปัสสนาก่อนเช่นโทสะเกิดขึ้นเราก็เห็นมันเกิดเองดับเองไี้ แล้วไม่ก็หายไปใจก็สบายแต่ถ้าใช้วิปัสสนาไม่ไหวก็ใช้สมถะใช้สมถะนะมันโทสะรุนแรงแล้วเจริญเมตตาเมตตาคุณอางอารหังเมตตาเมตตาคุณอางอารหังเมตตานะบริกรรมไปสบายสบายทำใจสบายสบายเออเนี่ยใจอย่างเนี้ย <c oughs> ต้องอย่างนี้นะ <c oughs> ใจอย่างนี้สว่างสบายขึ้นะมา <c oughs> ี่ความสุขพอมีความสุขแล้วไม่เพลิน เห็นไหมกายกับใจไปโนขั้วละอันดูอกใช่ไหมพอต่มันมีสมาธิปุ๊บขันมันแยกเลยออืนะใช้ได้สงสัยเยอะไปของสงสัยเยอะไปนะคะแล้วมีบารมีตัวไหนที่ยังอ่อนอยู่คะหลวงพ่อไปสํารวจเอาสํารวจเอาตัวนั้นยังอ่อนอยู่ตัวนี้ขมะในี่ขมะติดในความสุขอยู่อ๋อค่ะหลวงพ่อติดในกามในความสุขความสบายอันนี้ยังมีอะใช่ใช ก็สังเกตเอาก็ฝึกตัวเองเช่นฝึกมาอยู่วัดบ้างอะไรบ้างฝึกอดข้าวเย็นบ้างแบบนี้ฝึกอาจจเข้มแข็งขอบคุณมากหมดแล้วนะครับค่ะขอพวกเราทุกคนพนมมือและน้อมใจตามนะคะ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 อิติตังปฏิตังตุมหังคิประเมว่าสมิชชตุสัพเพปูรเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามนิโชติระโสยทาสัพีติโยวิวัตชตุสัพโรคโควินัศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภวะอภิวาธนาศีลสนิจังุทาปจายโนจะตาโรธรมาวะทันติอายุวันโนสุขัง